แต่ว่าเขานี้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าไม่สนุกละที่จะเล่นเพราะว่าได้แค่สิบบาทที่จริงเด็กน่าจะคิดนะว่าแต่ก่อนนี่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สักบาทก็ยังเล่นแต่ทําไมเด็กได้สิบาทคนนี้เด็กไม่เล่นแล้ะเพราะเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้ร้อยหรืออยังง้อยก็น่าจะได้ห้าสิบเด็กไม่ได้คิดว่าตัวเองได้สิบาทเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบบาท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 อคนที่ลําบากที่นั่นเลยเพราะพวกชาวเด็กพม่ากเกเรียงไอ้ตอนที่ลดลงเขาเนี่ยแม่ท้องสอนนี่มันมีเขามันมีโค้งเยอะเป็นพันโค้งแล้วพราะว่ารถเนี่ยเกิดพลาดแหกโค้งลงไปในเหวแกก็ภาวนาว่าเนี่ยขอให้ทุกคนปลอดภัยปรากว่าทุกคนก็ปลอดภัยจริงนะที่แกพามาเนี่ยยกเว้นแกแกก็เออ่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 หลายคนคิดแบบนี้นะว่าทำไมทําบุญแล้วต้องมาเจออุปัติเหตุแต่ว่าผู้ชายคนนี้แกกับพูดเตือนสติหรือพูดให้กำลังใจนะตัวแกเองไม่ได้เสียใจเลยนะแกกับผดวเนี่ยก็พอทําบุญเนี่ยถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวเพื่อนมองว่าแกเนี่ยพิการไปครึ่งหนึ่ง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 นะรอดมาได้ครึ่งตัวอันนี้เรียกว่าแกมีมอุม ม, มองในแง่บวกนะคนเราถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเจออะไรเนี่ยก็ไม่ทุกนะเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเสมออันนี้ต่างจากเด็กนะั้นในเรื่องที่เล่านะเด็กเรื่องที่เล่านี้เขามองแง่ลบเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยแทนที่จะคิดว่าตัวเองได้สิบาทเขากลับมอว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบ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 เพราะว่าร่างกายแครกแกนอ่อนแอตาโปนผิวหนังกระดูกเปร่ะหกล้มเมื่อไหรก็แขนหักขาหักต้องใส่เฟืองนี่นับสิบครั้งแล้วแต่ว่าแกก็อยู่ได้อายุมาถึงสามสิบกว่าคนน้องเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามสบปีก่อนแทั้นคุณมีความสุขทั้งสองคนทั้งที่ว่าจะตายเมื่อไหรก็ไม่รู้ไปบางทีก็ไป มีช่วก็ไปเป็นดีเจให้วิทยุคลื่นความสุขนะเธอก็มีความสุขทั้งสองคนก็มีคนถามว่าทําไมเธอถึงมีความสุขทั้งที่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอบอกว่าถึงแม้เรืองฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูฟังเสียงไพเราะกินอะไรก็อร่อยเดินเทินไปไหนมาไหนก็ได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วคือแทนที่จะเธอ แทนที่เธอจะบ่นว่าเนี่ยเลือดชันแย่เลือดชันไม่ดีแต่เธอกลับมองว่าเอ๊ะชันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สมองที่ดีอยู่นี่เรียกว่าเป็นคนมองแง่บวกคือมองเห็นด้านมองมองเห็นส่วนดีที่มีอยู่ไม่มองส่วนที่ลบนะงั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเจ็บป่วยยังไงเนี่ยเราก็ยังยิ้มได้นะเป็นมะเร็งที่กระพาะอาหารแต่ว่าก็ไม่เสียใจเพราะว่าตาหูจมูกลิ้น